สวัสดีคุณผู้ฟังรายการพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้บีมี er, เรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาทาง f a c e b o o นะคะแฟนเพจพระเจอผีเรื่องนี้ถูกส่งมาโดยคุณสราวุ์นะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสราวุ์เองเนี่ยบอกว่าเคยประสบกับอุบัติเหตุร้ายแรงของชีวิตคือเรื่องเกิดขึ้นตอนอายุประมาณ16ปีค่ะวันนั้นเป็นวันใกล้วันแต่งงานของลูกสาวป้า ก่อนถึงวันแต่งงานสองวันก็ฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดขาวเนี่ยเดินมาหาแต่ว่าเท่าที่สังเกตนี่เธอสวยมากเลยนะสวยแล้วก็มีหน้าตาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นมีแค่ซีกซ้ายที่มีแต่หน้าแต่ว่าเธอเดินเข้ามาหาแล้วก็หมาอีกสองตัวมีหมาสีดํากับหมาสีทองออกแดงๆนิดนึงนะคะคือตอนแรกเนี่ยก็จะเข้าไปรูปหัวสุนัขหรือว่าหมาตัวสีดําแต่ว่า คุณสราวุธเองเนี่ยค่ะก็เลือกที่จะไปรูปหัวของหมาสีทองแดงเนี่ยแล้วมันก็เห่าค่ะพร้อมกับอยากเล่นกับคุณสราวุธด้วยก็เลยเปลี่ยนใจไปรูปหัวหมาตัวสีทองแดงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆรูปหัวหมาตัวสีดําและพอตอนเช้าใกล้วันแต่งงานหนึ่งวันก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านของพี่สาวที่อยู่ต่างอําเภอค่ะระยะทางประมาณ 55-60 กิกิโลเมตรได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนกลางวัน ก็ช่วยงานตามปกติแล้วล่ะค่ะแล้วก็กลับบ้านตอนบ่ายของวันนั้นก็เลยขี่รถกลับบ้านว่าไปเอาเสื้อผ้ามานอนบ้านพี่สาวเพราะว่าใกล้วันแต่งงานแล้วด้วยความที่ขี้เกียจเนาะขับรถไปกลับนะคะซึ่งใช้เวลานานแล้วก็ระยะทางก็ค่อนข้างไกลพอสมควรก็เลยไปเอาแต่เสื้อผ้าแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างทางกลับบ้านก็แปลกใจว่าเอ๊ะเผลว่าไปเห็นศาลาพักรถเนี่ยหรือว่าศาลาคนรอรถเนี่ยนะคะ ก็เลยนึกสงสัยว่าตรงนี้เนี่ยมันมีสาราด้วยเหรอซึ่งในสารานั้นเนี่ยมันมีคนรอรถนี่คือเต็มไปหมดเลยล่ะแต่ว่าด้วยความที่รีบแล้วก็มีธุระก็เลยไม่ได้ใส่ใจหรือว่าสนใจอะไรมากนักก็ขับรถไปจนถึงบ้านก็เก็บข้าวเก็บของอะไรหมดเรียบร้อยทุกอย่างนะคะทีนี้พอถึงตอนที่จะไปบ้านพี่สาวค่ะยายของคุณสราวุธเนี่ยซึ่ง ก, ก, ก, ก, ก, ก็แก่มากพอสมควร แ, แล้วก็ทักว่าจะไปทาไมมันใกล้ค่าแล้วมันอันตราย คุณสราวุธก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองสบายแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วก็ขี่รถออกจากบ้านพอถึงที่สารานะคะสาราข้างทางตอนขามาที่มีคนอยู่เต็มเนี่ยตอนนี้คนก็ยังคงอยู่เยอะเหมือนเดิมค่ะ คุณสราวุธเองก็เช่นเดิมค่ะเหมือนตอนที่ขามาเลยไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าขี่รถมาเรื่อยๆจนถึงบ้านงานนะคะก็ได้ช่วยพวกผู้ใหญ่เนี่ยแกยกของเข้าบ้านเพื่อจะใช้ในพิธีตอนเช้า แต่พ่อคุณสราวุธกำลังไปนั่งที่หลังบ้านกับพวกผู้ใหญ่เขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของคุณสราวุธดังขึ้นนะคะแล้วก็เลยรับสายปรากฏว่าเป็นเสียงพี่ชายของเขาบอกว่าให้มารับหน่อยที่บคอสอจังหวัดอุบลเพราะว่าพี่ชายของคุณสราวุธเนี่ยลางานมาก็คือลาทหารมาเนี่ยเพื่อช่วยงานแต่งงานพี่สาวนะคะมองดูนาฬิกาค่ะเป็นเวลาประมาณซัก19นาฬิกาโดยประมาณ ก็เลยตอบว่าโอเคเดี๋ยวไปรับสามทุ่มก็คงจะถึงก็เลยวางสายกันไปจุดพีคอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ฟังคุณสราวุธเนี่ยจับรถได้ก็ออกจากบ้านพี่สาวเลยนะคะประมาณ1กิโลด้วยที่รถเนี่ยเป็นรถแต่งก็เลยบิดเต็มที่พอถึงจุดโค้งค่ะหมาสีทองแดงนี่โผลมาจากไหนก็ไม่รู้ชนเข้าเต็มแรงด้วยความเร็วตอนนั้นน่าจะประมาณสักร้อยรอย ก, อกว่านี่แหละนะคะ ก็เลยทำให้คุณสราวุธเองลดเสียหลักล้มประสบอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็ด้วยความเข้าใจของตัวบีเองนะว่าอาจจะหมดสติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทำให้คุณสราวุธเองเนี่ยได้ฝันไปฝันไปว่านะคะ เ, เห็นแฟนตัวเองกำลังบอกว่าป่ไปกันต่อแล้วก็ฝันเห็นหน้าแม่ ทีนี้ก็สะดุ้งตื่นเหมือนขาดอากาศหายใจตอนพ่นน้ำแล้วก็กำลังจะลุกเพราะว่าตอนนั้นนี่นอนอยู่กับพื้นแล้วแล้วก็มีเสียงบอกว่าอย่าลุกนะเออเกิดอุบัติเหตุอยู่ก็เลยถามว่าผมหลับไปนานแค่ไหนเขาบอกว่าประมาณ 30-40 นาทีได้นะคะจนรถโรงพยาบาลมาเนี่ยเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเอาอยังดวงดีอยู่เพราะว่าแค่หายป ร, ระหาหักเฉยๆแล้วก็ขาซ้ายหัก3ามท่อน รวมถึงเส้นเอ็นหรือว่าเส้นประสาทที่หัวแม่เท้าเนี่ยนะคะมันฉีกขาดดวงดีที่ยังไม่เสียชีวิตค่ะแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของคุณสราวุฒเองเนี่ยคือยับเยินเลยคุณผู้ฟังมีคือไม่มีทางที่จะซ่อมให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วหมาที่เขาชนเนี่ยคือตายค่ะที่ค่ะตัวขาดครึ่งเลยป้าก็เลยบอกว่า คนเขาช่วยกันหาร่างของคุณสราวุธเนี่ยนะคะหายังไงก็หาไม่เจอค่ะแต่ว่าเจอเพียงแค่ซากหมาที่ขาดครึ่งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่พังยับเท่านั้นเองแต่พอหาไปสักพักหนึ่งนะคะก็ไปเจอคุณสราวุ์ซึ่งนอนอยู่ข้างถนนแล้วล่ะนะคะซึ่งมันเป็นคลองน้ำเป็นคูน้านะคะแล้วก็น้ำท่วมและ ท่วมหน้าไปครึ่งนึงแล้วเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก็จะจมลงไปจนหมดแล้วก็เลยช่วยกันดึงออกมาไว้บนถนนแล้วก็เรียกรถโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยหายดีจนถึงทุกวันนี้แหละคะ่ะอีกอย่างหนึ่งคุณสราวุฒิบอกว่าสารารอรถที่เขาเห็นคนอยู่เยอะๆเต็มไปหมดทั้งขาไปแล้วก็ขากลับตอนเอาเสื้อไปอนอนบ้านพี่สาวเนี่ยจริงๆแล้ว ตรงนั้นมันไม่ใช่สาราค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันเป็นซากปรักหักพังของสารพระภูมิที่ชาวบ้านเชาช่องเนี่ยเขาเอาไปทิ้งไว้นะคะขอบคุณเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้จากคุณสราวุธด้วยค่ะยังไงคุณผู้ฟังที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขับรถ หรือว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความฝันค่ะที่เรานํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันไม่ในอ่าไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าฝันเห็นหมาตัวสีทองสีแดงเนี่ยนะคะแล้วเรื่องจริงต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วประสบอุบัติเหตุชนกันกันกบหมาตัวสีทองสีแดงเนี่ยนะคะจนหมานี่หูขาดเครื่องเลย ก็คงจะแรงพอสมควรแหละเนาะขอบพระคุณคุณสราวุธด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พี่บีเอาลงหน่อยนะครับรอฟังอยู่นะติดตามมาจะเข้า1ปีแล้วครับขอบคุณมากค่ะเรียกว่าเป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นแล้วก็กราบขอบพระคุณอีกรอบหนึ่งนะคะที่กรุณาส่งเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประสบการณ์ของความฝันที่เป็นจริงมาให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังกันค่ะ ที่นี้มีเรื่องส่งเข้ามาจากทางบ้านอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณคุณหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามพระเจอผีทาง youtube จากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่งเข้ามาบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นยังโอ้ออ้ออยู่เลยอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ปีเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบล น, นะคะช่วงนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าคุณหนึ่งเองก็เป็นคนชอบดูหมอลำไม่ว่าจะเป็นหมอลำหมูหรือหมอลำสิ่งรู้ข่าวว่าหมู่บ้านไหนมีหมอลำเนี่ยไม่เคยพลาดค่ะร่างกายอ่อนแอต้องไปหาหมอใช่ไหมคะคุณหนึ่งซึ่งคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ห้ามนะกลัวว่าจะไปถูกวัยรุ่นหมู่บ้านต่างๆที่มีงานมีอะไรขึ้นนี่คือตีหรืออาจจะโดนลูกหลงไป ซึ่งพาหนะที่ใช้เดินทางนั่นน่ก็คือจั ก, กรยานค่ะชอบแบบไปคนเดียวบินเดี่ยวใกล้ไก ล, กลแค่ไหนก็คือไม่เคยพลาดขอแค่รู้ข่าวก็พอคืนนั้นก็เหมือนกันรู้สึกว่าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งจะมีหมอลำหมู่มาแสดงเย็นวันนั้นก็แต่งตัวหล่อเหลาเอาการเลยแลหละห่ะกินข้าวกินปลาเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มปั่นจั ก, กรยานมุ่งหน้าไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งทันที ขาไปใช้เส้นทางใหญ่เป็นเส้นทางลาดยางก็คือเป็นถนนถนนดำนะคะช่วงหัวค่ำก็มีรถวิ่งไปมาขวักขวายเยอะแยะไปหมดทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่จะไปดูหมอลำปั่นจั ก, กรยานกันมันเลยละะ่ะค่ะเข้าเขตหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงของคณะหมอลำเขาเปิดดนตรีนี่วูเร้าใจจริงๆพอไปถึงก็จัดการหาเสือปูนั่งแล้วก็ดูหมอลำอย่างสนุกสนานยิ่งดึกยิ่งมีแต่เพลงมัน โอ้เพลงนี้ผู้กองหน้าหารในีลูกแพรอุไรพรเนาะรักสาวฟังลำเอ๋ยแมนไม่มีวันเอ๋ยได้บรรเลงออกมาไม่ขาดสายพอเล่าเข้าปากความยากไม่มีค่ะเต้นหน้าเวทีคนเดียวก็เต้นได้เต้นข้างลําโพงนี่แหละนะฮะมันจังเลยกําลังเต้นเพลินๆอยู่นั่นเองนะคนหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแกก็มากระซิบบอกว่าเฮ้ยหมู่บ้านที่เป็นคู่อริเนี่ยเขาจะดักตีพวกมึงอยู่หมู่บ้านกลางทางนะแต่คุณหนุ่มเองเนี่ย ก็ไม่ได้สีเรียสนะคะเพราะว่าเขามาจักรยานแล้วก็สามารถกลับทางลัดได้คืนนั้นเต้นกันมันพะยะค่ะหน้าเวทีสนุกสนานออกฤทธิ์ออกเดชเต้นคนเดียวก็เต้นจนหมอลำเลิกเลยคือถ้าภาษาอีสานเขาเรียกก็คือซอดแจ้งนี่แหละนะคะพอหมอลำเลิกดูเวลาก็เกือบตีห้าแล้วละเพราะว่าตีสี่กว่าๆซึ่งที่อุบล น, นะคะประมาณตีห้หน่อยฟ้าก็จะแบบเริ่มมีแสงรำไรนิดนึง ก็เลยจับรถจักรยานคู่ใจปั่นกลับนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้กลับทางถนนใหญ่นะคุณผู้ฟังกลับเส้นทางลัดซึ่งวัยรุ่นหมู่บ้านที่อของเขาของคุณหนุ่มเองเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับก่อนหน้าไปแล้วนิดเดียวนะคะก็คือเขาจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์กลับกันเป็นกลุ่มๆ ก, ก็คือเริ่มทยอยกันไปแล้วทีนี้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์วัยรุ่นดักตีเนี่ยมันจะได้ช่วยเหลือกันไง ซึ่งตัวของคุณหนึ่งเองนะคะก็พ อ, อแยกมาอีกทางก็เป็นทางปั่นจักรยานเข้าทางลัดซึ่งเส้นทางลัดเนี่ยเป็นทางเดินเล็ ก, ลกๆภายในป่าชุมชนซึ่งเส้นทางนี้จะผ่านวัดป่าแล้วก็ไปโผล่ที่หมู่บ้านของคุณหนึ่งเองถ้าได้ฟังเรื่องเล่าก่อนหน้าที่ส่งไปเรื่องเสียงกรนในป่าช้าที่ตอนนั้นเนี่ยได้บวชเนรให้กับยายวัดนั้นแหละนะคะอธิบายสั้นๆคุณผู้ฟังหมู่บ้านของคุณหนึ่งเนี่ย เป็นหมู่บ้านาห่างกันกับหมู่บ้านที่มีหมอลำประมาณ4กิโลแล้วก็กลางทางจะมีวัดป่าซึ่งวัดป่าแห่งนี้ชื่อวัดจะคล้องจองกันทั้งสองหมู่บ้านเลยวัดนี้เป็นวัดป่ากินเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เลยนะในเขตป่าชุมชนค่ะแล้วก็เส้นทางนี้เนี่ยเขาจะปั่นจักรยานกลับเป็นทางที่พระท่านใช้สำหรับบินธบาต ท, ทั้ง2หมู่บ้านซึ่งก็จะคุ้นเคยกับเส้นทางนี้ดีสมัยบวชเป็นเนนเพราะว่าต้องเดินบินธบาตเป็นประจา ซึ่งตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสางแล้วนะคะก็ได้ปั่นจักรยานมาเรื่อยๆเกือบจะเข้าเขตวัดแล้วล่ะค่ะก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนแก่แกก็ยืนอยู่ข้างถนนก็ปั่นเข้าไปใกล้ๆก็จำได้ว่าเออตาคนนี้นี่เองย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ยังบวชเป็นเนนอยู่นะเวลาที่ไปบินทบาตหมู่บ้านที่ไปงานหมอลำมาเมื่อคืนเนี่ยขอบินธบาตเดินทางกลับวัดตาคนนี้ก็จะมาดักรอเพื่อจะตักบาตร ทำบุญนะคะของตักบาทของแกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักที่แกปลูกเองเช่นพวกถั่วฝักยาวเอ้ยผักบุ้งจีนเอ้ยอะไรทำนองนั้นตาคนนี้เนี่ยแกก็จะนอนอยู่ที่นาของแกปลูกกระต๊อบอยู่นะคะนาของแกนี่ก็จะอยู่ถัดออกไปจากป่าชุมชนไม่ไกลจากหลังวัดเท่าไหร่นักคุณหนึ่งไม่รู้จักชื่อแก แต่เจอแกทุกวันตอนที่บวชอยู่อาจารย์ก็บอกว่าแกจะมาใส่บาตรแบบนี้เป็นประจำนะคะก็พูดเป็นภาษาอีสานบอกว่ามะลาฝากพักไปให้อาจารย์อยู่วัดในเด้อแกก็ร้องตะโกนทักครับครับพ่อใหญ่คุณหนึ่งก็ปั่นจักรายานเข้าไปใกล้แกค่ะรับถุงผักมาไว้ที่ตะกร้าหน้ารถพร้อมกับมีคําถามที่เกิดจากความสงสัยเนี่ยก็เลยถามคุณตาคนนี้นี่ออกไปบอกพ่อใหญ่ทําไมไม่ใส่บาตรกับอาจารย์เอง พอถามแกไปคุณตาคนนี้ก็เลยตอบว่าตาเนี่ยจะรีบไปทําธุระเออเขาให้มามานานแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะแกตอบแค่นี้แล้วก็เดินหันหลังลับไปเลยนะคะคุณหนึ่งก็รีบปั่นจักรยานเข้าไปในเขตวัดซึ่งตอนนั้นฟ้าเริ่มสางแล้วพอไปถึงศาลาวัดค่ะก็เจอพระเนนกําลังเตรียมตัวออกบิณฑบาตก็เลยเรียกอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือเรียกพระเนี่ยนะคะบอคุณตานี่ยแกฝากผักมาจังหัน จังหันกคือการถวายอาหารพระถวายข้าวพระในตอนเชา้าเรียกจังหันนะเดี๋ยวแปลให้คนที่เป็นคนไทยกลางที่เขาไม่รู้เรื่องได้รู้ภาษาบ้านเราก่อนละกันคุณหนึ่งก็เลยบอกผมบอกกับพระที่วัดซึ่งรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็รีบปั่นจักรยานกลับบ้านพอถึงบ้านก็อาบน้ำนอนหลับสบายเลยละค่ะใช้แรงไปเยอะไงเมื่อคือนคาร์ดิโอตืดต้ดๆเลยทีเดียว มาตื่นอีกทีคือตอนเที่ยงแม่เรียกกินข้าวผ่านไปสักสองสาวันก็ได้มีโอกาสไปทําบุญตักบาตรตอนเช้าที่วัดก็ได้ยินคนแก่คุยกันบอกว่าหมู่บ้านที่ไปฟังลำเมื่อคืนก่อนนูนเนี่ยมีคนตายซึ่งคนที่ตายนะเนี่ยตายไปหลายวันแล้วลูกหลานเพิ่งจะเข้าไปเจอเพราะว่าเห็นผิดสังเกตที่แกไม่เข้ามาในหมู่บ้านหลายวันเลยก็เลยไปถามคนแก่ที่คุยกันว่าเอ๊ะใครตายคนแก่ในวงสนทนาก็เลยตอบขึ้นมาบอกว่า พ่อใหญ่ที่แกปลูกเถียงนาอยู่ท้ายวาดัดถัดจากป่าสงวนเป็นนิดหน่อยที่แกปลูกผักเนี่ยแกตายตายมาหลายวันแล้วเขาพิ่งไปโจศพเมื่อวานนี้เองลูกหลานเห็นผิดสังเกตที่แกไม่เข้าหมู่บ้านหลายวันก็เลยคิดว่าแกนี่เอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าเข้ามาดูที่ทุ่งนาที่สวนปรากฏว่าเน่าแล้วด้วยเน่าแล้วจริงๆรนะคะเน่าตั้งแต่เมื่อวานและเพิ่งเอาศพไปไว้ที่บ้านวันนี้แล้วก็จะเผาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเมื่อคืนไปฟังหมอลำขากลับ ก็ยังโดนกลัวดักตีก็เลยกลับมาทางหลังวัดเนี่ยเจอแกเอาผักมาฝากถวายวัดอยู่เลยยังคุยกับแกอยู่เลยแกบอกกับผมว่าจะรีบไปธุระมีคนมารอรับก็เลยได้แต่นึกในใจว่าตาเอ้ยตาตายไปแล้วนี่ยังห่วงเรื่องทำบุญอีกเนาะยังไงก็ขอให้คุณตาไปสู่สุขตินะคะแล้วก็บุญที่ฝากถั่วฝักยาวมาตักบาตรพระเนี่ยก็อุทิศให้กับคุณตาด้วยก็แล้วกันแล้วก็เรื่องนี้ค่ะ ปีเองก็ขอเล่าเป็นธรรมทานเพื่อที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณตานะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องก็คือคุณหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องน่ากลัวหรือว่าเรื่องแปลกๆที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าเป็นประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์อ้อมสามารถส่งเข้ามาที่ Facebook Fanpage พระเจอผีได้นะคะทัก Inbox เข้ามาได้เลยค่ะส่งเรื่อ ง, องคุณเข้ามาบีเองจะยังไม่ตอบกลับนะถ้าหากว่าตอบกลับแล้วนี่มันจะไปปะปนกันนะคะกับข้อความที่ตอบไปแล้วซึ่งมันจะทําให้ตัวของบีเนี่ยสับสนว่าเอ๊ะเรื่องนี้เล่าไปหรื อ, อยัง ถ้าหากว่าบีเล่าแล้วเนี่ยบีก็จะส่งข้อความตอบกลับไปบอกว่าบีเล่าแล้วเรียบร้อยรบกวนไปฟังเรื่องที่ตัวเองส่งเข้ามาทางช n n นลพระเจอผีด้วยนะคะเดี๋ยวบีจะมาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของคุณมานพค่ะคุณมานพเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่คุณมานพเองเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่บ้านของผมอยู่ข้างๆวัดมีเพียงแค่กำแพงวัดขวางกั้นอยู่เท่านั้น แล้วก็ทุกๆเกเย็นเนี่ยก็มักจะเข้าไปวิ่งเล่นกันแถวบริเวณลานวัดกับพวกเด็กวัดซึ่งก็อยู่ในวัยเดียวกันค่ะแล้วก็เด็กวัดบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่โรงเรียนประถมของหมู่บ้านด้วยการเล่นของเด็กๆนะคะก็หนีไม่พ้นการวิ่งเล่นไล่จับ ก, กันเอาลูกฟุตบอลพลาสติกมาเตะ ก, กันบ้างเป็นที่สนุกสนานกันไปตามประสาเด็ก บางครั้งก็เล่นกันเพลินจนมืดค่ำพวกเด็กวัดนันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่มาคอยควบคุมค่ะจะมีก็แต่หลวงพี่หลวงน้าหลวงลงุงซึ่งท่านก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากนักแต่ว่าตัวคุณมานพ บ, บอกว่าผมเนี่ยสิครับพอมืดค่ำลงยังไม่กลับบ้านพ่อผมก็จะถือไมเรียมาตามถึงวัดเลยทีเดียวบางครั้งนะ ตาไวพอเห็นพ่อเดินถือไม่เรียวมาแต่ไกลก็จะรีบหลบออกไปทางประตูหลังวัดแล้วก็วิ่งเลาะกําแพงวัดกลับไปบ้านก็เลยรอดตัวไปแต่ว่าบางครั้งนี่มัวเล่นเลินไม่ทันสังเกตกว่าจะรู้ตัวก็ถูกไม่เรียวนี่หวดขวับเข้าที่ก้นโทษฐานเล่นจนมืดค่าและไม่ยอมกลับบ้านอย่างนี้เนี่ยเจ็บตัวไปก็มีคุณนบเองก็ยังคงเดินเข้าเดินออกวัดไปเล่นกับเพื่อนๆอยู่แทบทุกวันค่ะจนกระทั่งวันหนึ่ง วันนั้นเนี่ยเป็นวันหลังจากกลับโรงเรียนพอมาถึงบ้านก็โยนกระเป๋าหนังสือไว้ที่แคร่เต้ถุนบ้านเสร็จแล้วนะคะก็วิ่งเข้าวัดทันทีเลยพอเข้าไปถึงลานวัดก็มองเห็นผู้คนอยู่บนศาลาเต็มไปหมดคุณมานพบก็เลยเดินเข้าไปถามบอกไอ้ดำดำนี่ก็คือเด็กวัดที่เล่นด้วยกันนะคะคุณมานพก็เลยถามว่าเฮ้ยดำบนศาลาเนี่ยเขามีอะไรกันวะคนถึงได้เต็มไปหมดแบบนั้นไอ้ดำก็เลยบอกเห็นหลวงพี่กู ท่านบอกว่าเขาเอาศพคนตายมาทําพิธีสวดที่วัดน่ะไอ้ดาตอบเอา้าแล้วเขาเป็นอะไรตายวะคุณมานพก็ถามตอบเพราะว่าอยากรู้นะคะหลวงพี่บอกว่าคนตายคือนอนหลับไปเฉยๆแล้วก็หยุดหายใจเอา้าแล้วมึงขึ้นไปดูบนสาลามาหรื อ, อยังละ่ะยังเลยเอา้างั้นเราขึ้นไปดูกันเถอะไปสิปะ่ะพ อ, อคุณมานพกับไอ้ดาเนี่ยเดินขึ้นไปบนศาลา ก็มองเห็นศพคนตายเนี่ยนอนอยู่ข้างๆศาล า, านะโดยที่ยังไม่ได้เอาใส่ไปในโลงศพค่ะเนื่องจากว่าเพิ่งจะนำศพมาถึงศาลาแล้วก็ญาติๆกำลังไปติดต่อซื้อโลงศพที่ร้านขายโลงศพในตัวอำเภอนะคะผู้ตายเองไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่คุณมานบอาศัยอยู่คงจะเป็นคนที่มาจากหมู่บ้านอื่นญาติพี่น้องที่อยู่บนศาลาตัวเขาเองก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยสักคน คุณมานพกับไอด้ดำเนี่ยก็เข้าไปยืนดูศพคนตายใกลๆ้ๆผู้ตายอายุน่าจะประมาณซัก30ปีค่ะลักษณะตายเหมือนคนนอนหลับซะ ม, มากกว่าคือไม่เหมือนคนตายนะคะเหมือนหลับเฉยๆคุณมานพ บ, บอกได้ยินญาติพี่น้องของคนตายพูดคุยกันว่าตอนบ่ายเนี่ยผู้ตายหลับพักผ่อนอยู่จนกระทั่งเกือบ4ี่โมงเย็นก็ยังไม่ตื่นญาติของผู้ตายก็เลยไปปลุก ปรากฏว่าผู้ตายไม่หายใจซะแล้วก็เลยนำศพมาทำพิธีที่วัดแห่งนี้คุณมานพได้ฟังแบบนั้นก็ยังคงยืนดูศพอยู่พักใหญ่ค่ะก็ชวนไอ้ดำเพื่อนสนิทเนี่ยลงมาจากศาลาเพื่อไปชวนเพื่อนๆเด็กวัดมาเล่นอะไรกันที่ลานวัดแต่ว่าขณะที่กำลังเดินลงจากบันไดก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนขึ้นมาคุณมานพกับดาเนี่ยมองไปที่ผู้ชายคนนั้นก็ต้องสะดุ้งนะคะ เพราะว่าผู้ชายคนที่ขึ้นบันไดามาน่นเนี่ยใบหน้าของเขาเหมือนกันกันกบศพของคนตายที่นอนอยู่บนสาราวัดเลยไอ้ดำเองก็ทำหน้าเลือกลักแล้วค่ะเหมือนถูกผีหลอกไม่มีผิดแต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะตกใจมากไปกว่านั้นชายคนนั้นก็เอ่ยขึ้นมาว่าง่ายเอ้หนูตกใจนึกว่าถูกผีหลอกเหรอนะ้าเป็นคู่แฝดของคนตายที่นอนอยู่บนศารานั่นแหละใบหน้าก็เลยเหมือนกันไม่ต้องตกใจไป เท่านั้นละค่ะคุณผู้ฟังคุณมานพกับไอ้ดำก็เลยค่อยคลายความตกใจลงเอ๊ะที่แท้ผู้ชายคนนั้นกับผู้ตายเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นฝาแฝดกันแต่ก็ต้องยอมรับเลยแหละนะฮะว่าใบหน้าของคนตายกับผู้ชายที่เดินขึ้นมาบนสารานั้นเนี่ยเหมือนกันยังกับแกะเหมือนกันมากเลยเหมือนจนคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันคุณมานพ บ, บอกว่าผมก็เลยคิดว่าถูกผีหลอกเข้าให้ซะแล้วเออเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริง คุณมานพกับไอ้ดำเนี่ยก็คงจะเพ่นลงจากบันไดสารากันแทบไม่ทันเลยนะคะนี่ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่กรี๊ดไม่ตกใจก็คงเก่งละค่ะติดตามแลวฟังพระเจอผีได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้บีขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ